ตอนที่65บ้าบทสรุปเราเคยส่งทหารไปล้อมปราบถึงสองครั้งแต่ก็ล้มเหลวทั้งสองคราเจ้ามั่นใจจริงๆหรือว่าจะมีวิธีจัดการพวกมันให้สิ้นซากได้เพื่อเยาว์าและจวนกัวกงแล้วหลิงเซินอนุญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จเท่านั้นห้ามล้มเหลวเด็ดขาดเขาเงยหน้าขึ้นขานรับหากล้มเหลวกระหม่อมขอเอาสีซา ม, มาเส้นสังเว่ยฟาบาททรงชื่นชมเป็นอย่างยิ่งดีเราอนุญาตให้เจ้าพาทหารองครัก์หนึ่งพันนายไปปราบโจรบทสรุป ลินเซนปราบโจรสําเร็จและนําเสบียงกลางที่ถูกพวกม้าโจนชิงไปกลับคืนมาได้ทั้งยังพิสูจน์ได้ว่าเยว้าและเยวาไม่ได้ใช้ข้าวขึ้นราในการบรรเทาทุกพวกเขาจึงถูกปล่อยตัวออกมาทว่าเยวากลับได้รับบาดเจ็บจนต้องนอนซมอยู่บนเตียงขยับขเขยื่อนกายไม่ได้แต่เนื่องจากคนขับรถมาตายไปแล้วและพวกม้าโจนก็ไม่เคยเห็นหน้าเสียชิงจื้อเบาะแสของผู้อยู่เบื้องหลังจึงขาดช่วงไปพระเยว้าและเยเวหัาถูกกักขังทําให้การบรรเทาทุกอยู่ชะ ง, งักไปหลายวันผู้ประสบภัยที่ขาดแหล่งอาหารประทังชีวิต จึงเริ่มก่อจลาจลไม่เพียงแต่ร้้นชิงอาหารและรับสินกลางแดดจ้าบนท้องถนนแต่ยังรวมกลุ่มกันบีบบังคับให้ทางการเปิดคลังสเบียงแจกจ่ายอาหารฟาบาททรงปวดเสีนเวียนกล้าเหล่าขุนนางในราชสำนักต่างก็กลัดกลุ้มกับเรื่องผู้ประสบภัยสิ้นอ๋องเสนอแนะให้ใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามแต่เยเววูเสียคัดค้านทั้งสองฝ่ายจึงเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงในท้องพระโรงอีกครั้ง เซียชิงจือคอยเป่าหูสิ้นอ๋องโดยชี้ให้เห็นเป็นนว่าเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะการบันเทาทุกของตระกูลเย่สิ้นอ๋องจึงสบโอกาสทูลฟ้องความผิดของตระกูลเย่ต่อหน้าฝ่าบาดลินเซินพยายามช่วยพูดแก้ต่างให้ตระกูลเย่แต่ก็ไร้ผลกลับถูกสิ้นอ๋องตำหนิกลับมาเสียยกใหญ่ฝ่าบาททรงมีพระราชองการให้ตระกูลเย่รีบจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขเหตุจลาจลของผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดเมื่อเยว่วรู้เรื่องนางก็ฝืนอาการบาดเจ็บวางแผนการให้เย่ว่า นางรู้ดีว่าวันเช่นนี้ต้องมาถึงจึงได้คิดหาวิธีจัดการกับผู้ประสบภัยที่แท้จริงไว้ล่วงหน้าแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือการสอนให้พวกเขารู้จักหาปลาดีกว่ายื่นปลาให้เพียงอย่างเดียวนางเสนอให้จัดสรรที่ดินรกร้างแถบชานเมืองให้แก่ผู้ประสบภัยให้พวกเขาลงมือบุกเบิกที่ดินด้วยตนเองใครทำ ม, มากก็ได้สเสบียงอาหารเป็นค่าตอบแทนมาก ผู้ประสบภัยมีจำนวนมากการบุกเบิกที่ดินรกร้างจึงไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงพวกเขามีที่ดินที่บุกเบิกด้วยน้ําพักน้ำแรงของตนเองก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตส่วนสเสบียงบรรเทาทุกจากราชสำนักก็นำมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนทุกอย่างจึงสามารถจัดการได้อย่างลงตัวเยวรู้ดีว่าเยาวาเพียงคนเดียวไม่อาจทาเรื่องนี้ให้สาเร็จได้จึงบอกให้เขาไปขอความช่วยเหลือจากหลินเซิน เมื่อทั้งสองร่วมมือกันก็สามารถจัดการดูแลผู้ประสบภัยได้อย่างเรียบร้อยจนได้รับคำสรรเสริญจากชาเมืองทั้งปวงจวนกัวกงรอดพ้นจากหายนะได้อีกครั้งหลิงเซินมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ก, กับจวนกัวกงมากขึ้นและความสัมพันธ์กับเยว่าวก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเสียชิงจือเริ่มร้อนรนนางจึงปลอมแปลงงานปักบนผ้าเช็ดหน้าของผู้มีพระคุณของหลิงเซินแอบอ้างเป็นเด็กหญิงที่เคยช่วยชีวิตหลิงเซินในวัยเยาว์จนทำให้ท่าทีที่หลิงเซินมีต่อนางเปลี่ยนไปทว่าหลิงเซินกลับต้องติดอยู่ในวววววงงงคาามรรู้สึกะะห่เเียยชิจือแล หัวใจของเขารักเยว้า wow, วแต่ความกตันยูบีบบังคับให้เขาต้องเข้าข้างเซียชิงจือประกอบกับเซียชิงจือคอยอยุยงยังอยู่ลับๆทาให้ความขัดแย้งระหว่างเยว้า wow, วและหลินเซินเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนเ wow ยว้ายิ่งมั่นใจว่าเขายังคงเหมือนชาติก่อนที่คอยลำเอียงเข้าข้างเซียชิงจือในทุกเรื่องและทุกครั้งที่หลินเซินต้องการอธิบายกับเย wow ว่าว่าที่เขาทําไปพระเซียชิงจือคือผู้ช่วยชีวิตในวัยเด็กเซียชิงจือก็จะปรากฏตัวออกมาขัดจังหวะไม่ยอมให้เขาได้พูดความจริง นันวันเข้าเย า, าวก็เริ่มโกรธเคืองหลิงเซินอย่างจริงจังเสียชิงจือจึงกำกับและแสดงนิ้วฉากหนึ่งขึ้นมาโดยทําทีว่าตนเองถูกลักพาตัวนางจ้างวานมือสังหารให้ปลอมตัวเป็นสายลับมาล้างแค้นจับตัวนางและเยาวาไปโดยตั้งใจจะยืมดาบฆ่าคนเพื่อกำจัดเยาวา แต่คิดไม่ถึงว่าหลิงเซินจะมาช่วยได้ทันเวลาเซียชิงจือจึงรีบยัดจดหมายและตัวเงินที่ใช้จ้างมือสังหารใส่ไว้ในตัวเยว่า wow. เพื่อปลายสีทําให้หลิงเซินเข้าใจผิดว่าเยว่า wow. สมรู้ร่วมคิดกับมือสังหารปลอมตัวเป็นสายลับและลงมือฆ่าเซียชิงจือเพราะความหึงหวงเยว่า wow. ถูกใส่ร้ายด้วยความโมโหจึงตกหน้าเซียชิงจือเซียชิงจือแซงทําเป็นบาดเจ็บจนทำให้หลิงเซินพังมือทําร้ายเยว่า wow. จนบาดเจ็บเยว่าสิ้นหวังอย่างถึงที่สุดนางใช้เหตุผลที่หลิงเซินทยศต่อนางอีกครั้งทูลขอถอนมั่นต่อฝ่าบาท เนื่องจากเคยมีคำมั่นสัญญาไว้ก่อนหน้าและทางจวนสิ้นอองเองก็ปรารถนาจะให้มีการถอนมั่นอยู่แล้วฝ่าบาทจึงจำต้องยกเลิกการมั่นหมายของทั้งคู่ด้วยความเสียดายเยาวและทุกคนในจวนกัวกงต่างปิดประตูใส่หลินเซินตั้งแต่นั้นมาหลินเซินที่ไม่ได้พบหน้าเยาวจนถูกความหยหาแผดเผาในที่สุดเขาก็รู้ใจตนเองว่าต่อให้เซี่ยชิงจือจะเป็นผู้มีพระคุณของเขาแต่เขาก็ไม่อาจรักนางได้คนที่เขารักจริงๆคือเยาว์ เขาตามตือ้อเยววาและคนในจวนกัวกงไม่เลิกราจนทำให้ทุกคนในจวนกัวกงต่างเหนื่อยหน่ายใจในเวลาเดียวกันเยาวาก็บังเอิญพบร่องรอยของสายลับอีกครั้งและดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บของสายลับผู้นั้นจะหายดีแล้วเยว์ Ye wow จำต้องใจแข็งวางแผนทําเป็นว่าตนเองล้มป่วยหนักและถูกส่งตัวไปรักษาตัวที่จวงจื่อชานเมืองเพื่อออกไปให้ไกลาจากเมืองหลวง สายลับที่ถูกหลิงเซินทําร้ายจนบาดเจ็บในคราวนั้นรักษาตัวจนหายดีแล้วและพบว่าตนเองจําตัวตนที่แท้จริงของเยว่าและเซียชิงจือสลับกันทั้งยังพบว่าหลิงเซิน ร, รักเยว่าสุดหัวใจถึงขั้นตามนางไปทุกข์ที่จึงคิดจะจับตัวเยว่าระหว่างทางเพื่อใช้แผนเดิมอีกครั้งประจบเหมาะกับที่เซียชิงจือเองก็ต้องการรั้งใจหลิงเซินกลับมาจึงใช้แผนทําร้ายตนเองเพื่อตามหลิงเซินไปเช่นกันใครจะรู้ว่าเยว่าไม่ได้อยู่บนรถม้าที่มุ่งหน้าไปยังจวงจืแต่นางปลอมตัวเดินตามขบวนไปอย่างเงียบ สายลับติดกับปรากฏตัวออกมาพอดีกับที่หลิงเซินและเซี่ยชิงจือตามมาถึงเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเซี่ยชิงจือเข้ารับคมดาบแทนหลิงเซินส่วนทหารฝีมือดีที่เยว่ว่าให้เยว่าเตรียมซุ่มไว้ก็ปรากฏตัวออกมาทันเวลาจับกุมทั้งสายลับและมือสังหารไว้ได้ทั้งหมดเซี่ยชิงจือบาดเจ็บเจียนตายเพื่อหลิงเซินนางใช้เรื่อนี้ข่มขู่ขอให้เขาแต่งงานกับนางขณะที่หลิงเซินกำลังสับสนเยว่าก็เดินออกมาและเปิดโปงเรื่องที่เซี่ยชิงจือเคยทําร้ายครอบครัวของนางจนถึงแก่ความตายในอดีตทั้งหมด สายรับเองก็ให้การยืนยันความจริงทุกประการเปิดโปงโฉมหน้าที่แท้จริงของเซี่ยชิงจือเซี่ยชิงจือฉีกหน้ากากทิ้งและพยายามจะล่าสังหารเยว่าแต่ถูกเยว่าขวางไว้ได้ทุกคนจึงได้รู้ว่าอาการบาดเจ็บของนางนั้นเป็นของปลอมและเป็นนิ้วที่นางกํากับเองอีกครั้งลินเซิร์นผิดหวังในตัวนางเป็นอย่างยิ่งเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาถามนางต่อหน้าว่านางคือเจ้าของผ้าเช็ดหน้าผืนนี้จริงๆหรือไม่ผลปรากฏว่าเยว่ากลับพบว่านั่นคือผ้าเช็ดหน้าที่นางปักด้วยมือตนเองในวัยเยาว์ ที่แท้ผู้มีพระคุณในวัยเด็กของหลิงเซินก็คือเยว่าหลินเซินเข้าใจทุกอย่างแล้วแต่น่าเสียดายที่เยว่าสิ้นหวังในตัวเขาไปแล้วนางหันหลังเดินจากไปทันทีเมื่อเขาไปหานางอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเยว่ากลับบอกว่านางได้เดินทางออกจากเมืองหลวงไปแล้วหลินเซินแทบเสียสติและในวินาทีนั้นเองความทรงจําจากชาติก่อนของเขาก็ฟื้นคืนมาเขาเองก็กลับชาติมาเกิดเช่นกัน ชาติก่อนเขาถูกเสี้ยชิงจื้อล่อลวงจนเข้าใจผิดว่าเยาว์่าคือศัตรูที่ฆ่าบิดาของเขาเขาทําให้คนในตระกูลเย่ต้องติดคุกทั้งยังบีบบังคับให้เยว่าและบิดาต้องออกไปรบในสนามรบผลสุดท้ายเยาวาที่กําลังตั้งคันถูกเสี้ยชิงจื้อทาร้ายจนตายหนึ่งศพสองชีวิตกว่าเขาจะสํานึกได้ก็สายเกินไปเสียแล้วจนกระทั่งหมอหลวงทุกคนต่างจนปัญญาและประกาศว่าเยาว์าสิ้นลมหายใจแล้วในตอนนั้นเองที่เขาได้สัมผัสถึงรสชาติของหัวใจที่แตกสลาย และในตอนนั้นเองที่เขาได้พบว่าในห้องของเยาว์ wow, มีเสื้อผ้าตัวเล็กๆที่นางปักไวใ้ให้ลูกบนนั้นปักลายกระดิ่งลมและดอกไม้ที่คุ้นตาเพียงแต่ฝีเข็มยังคงแย่เหมือนตอนเด็กๆที่แท้นางไม่ชอบงานเย็บปักถักร้อยแต่ก็ยังยอมลงมือทําเสื้อผ้าให้ลูกด้วยตนเองในที่สุดลิงเซิร์นก็พบความจริงว่าเยาว่า wow, คือเด็กหญิงตัวน้อยที่เขาเฝ้าคันหนึ่งหามาตลอดทั้งชีวิตนั่นเอง ในเวลาไล่เรียกกันนั้นเองข่าวจากชายแดนก็ถูกส่งมาสายลับที่เคยรักพาตัวเยว่าได้สารภาพต่อหน้าเหล่าทหารหารในสนามรบว่าแท้จริงแล้วเยว่าไม่ได้บอกข้อมูลใดๆแก่เขาเลยข้อมูลเหล่านั้นเขาเป็นคนสืบหามาเองเขาเพียงแค่ใช้เรื่องของเยว่ามาปั่นหัวบิดาและพี่ชายของนางเท่านั้นและเพราะเหตุนี้บิดาและพี่ชายของเยว่าจึงเสียสติบุกเข้าไปในสนามรบจนตัวตายทว่าเซียชิงจือกับแอบส่งข่าวนี้ให้เหล่ากัวกงไม่ได้ยินว่าบุตรหลานสิ้นชีพในสนามรบ ส่วนหลานสาวก็ต้องมาตายทั้งกลมเหล่ากัวกงมผู้ชาราจึงตรอมใจจนสิ้นลมหายใจเพียงลําพังในจวนท้ายที่สุดเมืองชายแดนก็แตกพ่ายราชสํานักสูญเสียอย่างหนักขวัญกำลังใจทหารตกต่าเหล่าทหารที่รอดชีวิตกลับมาต่างพากันเรียกร้องความเป็นธรรมให้จวนกัวกงโดยมีลินเซินเป็นเป้าหมายหลักลินเซินถูกเหล่าขุนนางและทหารรวมประนามเขาถึงกับถอดเสื้อแบกไม้หนามเข้าวังเพื่อขอขามาโทษส่วนเสียชิงจือที่เป็นต้นเหตุกลับไม่กล้าแม้แต่จะก้าวออกมาพูดแทนเขาเพียงครึ่งคํา ในที่สุดคดีอายุติธรรมก็ได้รับการสสางแต่ลินเซิร์นกลับกลายเป็นคนสิ้นหวังเขาเฝ้ามองป้ายวิญญาณของเยว้าและใช้ชีวิตไปวันๆอย่างเหม่อลอยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเกิดเสียสติขังตัวเองไว้ในห้องของเยว้าวและจุดไฟเผาตัวเองตายต า, ยตามนางไปลินเซิร์นที่เกิดใหม่รู้ว่าเยว้าวจากเมืองหลวงไปอย่างร้ยร่องรอยจึงตระหนักได้ว่านางเองก็เกิดใหม่ก่อนเขา19 ด้วยความสำนึกผิดที่สายเกินแก้เขาจึงรีบบุกกลับไปยังจวนอองลากตัวเซี่ยชิงจือที่กำลังรับโทษแต่มีหวางเฟยคอยคุ้มครองอยู่ไปยังคุกจวนจริงเจ้าอินสารภาพความจริงทั้งหมดและตีแผ่ความชั่วร้ายของเซี่ยชิงจือออกมาเซี่ยชิงจือไม่อยากจะเชื่อความรักที่มีต่อหลินเซินเปลี่ยนเป็นความแค้นนางตะโกนถามเขาว่าทำไมถึงทำกับนางเช่นนี้แต่หลินเซินกลับเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่งแม้แต่สิ้น อ, องและพระชายาก็ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมเขาได้แม้แต่น้อย เซียชิงจือสิ้นหวังนางยอมรับผิดทุกอย่างและตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเพื่อหนีความผิดหลินเซินละทิ้งชื่อเสียงลาพยศและตำแหน่งทั้งหมดออกจากเมืองหลวงตามมาหานางไปจนถึงเจียงหนานและได้พบว่าเยว่กำลังอยู่กับชูชือ้อในช่วงที่หลิงเซินตามหาเยว่อยู่นั้นชูชื้อได้ใช้ความจริงใจสั่นคลอนหัวใจของเยว่และขอแต่งงานเหลือเพียงรอให้นางตอบตกลงเท่านั้นทั้งสองกลายเป็นคู่กิ่งทองใบหยกที่เหมาะสมกันที่สุดในเจียงหนานไปเสียแล้ว